สุโภดีละได้แล้วไม่มีโทษกายอีกแล้วกินเหล้าก็ละได้แล้วไม่เดือนเหล้าอีกแล้วไม่มีโรคอีกแล้วที่เกิดจากเหล้าจากบุรีให้ละได้แล้วบุรีนี้ผ่านไปแล้วเหล้านี้ผ่านไปแล้วเย็นไปแล้วไม่มีภพชาติในบุรีในเหล้าอีกละไปแล้วในบรนจบไปแล้วความไม่เที่ยงก็ลู่แล้ว ความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความ receipt, ไม่เช่อตัวตนรู้แล้วความไม่เที่ยงความเป็นท <sincer> ุกข <No>. ์ไม <master> ่อยู่กับกายกําหนดรู้หมดแล้วรู้แล้วหมดเมื่อสิ่งใดเกิดจากความไม่เที่ยงกับสิ่งใดที่เป็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับกายก็รู้แล้วจบไปแล้วเข้าใจแล้วไม่เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกขเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เกิดกับกายรู้แล้ว ทัมหมดไปแล้วจบไปแล้วเงื่อนเขาจะแสดงก็รู้แล้วอ่าก็ดึกความคิดนิดหน่อยก็รู้แล้วเข้าใจแล้วสิงว่งที่มันบรรทุกมันความบทุกไปสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ดอยู่กับกายเขามอบให้ไปแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องเอามายึดมัน่นถือมัน่นเป็นภาระ เพราะไม่ใช่ตัวใช่ตนหมดไปแล้วจบไปตนต้นการศึกษาชีวิตเราเหลืออยู่แต่จิตใจจิตใจราะก็มีทุกมีอะไรต่างๆมากมาย ก, กว่ากายเกิดกับใจเราเป็นอารมณ์อารมณ์ก็หลายๆอารมณ์ อิทธาลมอนิทธาลมอิทธาลมคือความพอใจอเนธาลมไม่พอใจอารมณ์เกิดขึ้นมาย่อมจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเกิดจากจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับจิตเกิดชิเลตตัณหาลาคะที่เกิดกับจิต เกิดอุปทานที่เกิดกับกิตเป็นพ่อเป็นชาติต่างๆมันเกิดบ่อยๆมันมีบ่อยๆเกิดดับเกิดดับมันเกิดไม่หยุดสิ่งที่มันเกิดกับกิตที่มีเหตุ ม, หตมีสมุทยัยเป็นเหตุที่เกิดกับกิตที่มีเหตุเช่นอรียสัตบางอย่างมันสุขมันทุกข์ มีเหตุไม่ใช่โศกทุกข์ไม่ใช่จิตเราก็รู้ไปโศกอนทุกข์ที่เกิดกับจิตมันใช่จิตจิตมันไม่เป็นอะไรมันปกติแต่เวลาไรจิตที่มันโศกมันทุกข์มันไม่ใช่จิตมันมีอาคัรดุกะจรมาอาธามม้จิต เป็นอารมณ์เป็นอาการต่างๆเกิดขึ้นเราก็รู้เราก็เห็นอันเกิดกับจิตไม่ใช่บันเทามีแต่ละอย่างเดียวถ้ามันโกรธไปด่าเพื่อหายโกรธถ้ามันโกรธหายวิธีทำมันอื่นเพื่อให้มันหายโกรธเที่ยวดูดังฟังเปลงจิตเล่ามอยากรบเกอนไว้มันไม่ใช่ สิงใดที่เกิดกับกิจมีแต่ละอย่างเดียวเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธอยู่ในตัวมนันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความรักความชังพอใจไม่พอใจกินดียินร้ายเปลี่ยนทันทีตอนนั้นเลยว่าปฏิบัติเต็มที่อันเดียวมีสติอันเดียวถ้าเราไม่มีสติ มันก็ไม่มีคู่ปรับไม่มีการพิชิตไห่ไม่มีชัยชนะเหมือนเราทำลายต้องมีผู้กระทำในงานที่กระทำอย่าปล่อยความหลงครอบงมจิตอย่าปล่อยความหลงครอบงมจิตความทุกข์ความโศกครอบงมจิตมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในจิตนะั้น มันมีอะไรหลายอย่างเกิดกับจิตนะถ้าเป็นภาษาพิธรมแต่พะจิตนี้รอยี่สิบดวงเป็นกุศล น, นับไปท่วนเป็นอากุศล น, นับไปทว่วนกุศลคือความดีอากุศลคือความไม่ดี มันเกิดอยู่ที่จิตเราจึงมาศึกษามาเห็นมันอย่าตกเป็นจำเลยมันถ้าดีใจเสือใจอันนั้นไม่ใช่จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ใจอันนั้นไม่ใช่จิตเป็นาการที่มาปนเพื่อนทีหลังจิต ด, ดีดีอยู่แต่สิ่งต่างๆมาปนเพื่อน ทำาไม่เกิดอาการต่างๆขึ้นเราจึงมีสติเห็นอะไรที่เกิดกับจิตเปลี่ยนได้เย่ได้แยได้หมดเปลี่ยนได้หมดให้เป็นปกติได้เหมือนน้ำที่มันมีขึ้นขึ้นของน้ำมาใชยน้ำ ที่ทำให้มีคลื่นว่ามีลมมีอะไรกระทบมันก็กระเพื่อมธรรมดาแต่การกระเพื่อมที่เป็นฟองเป็นคลื่นไม่ใช่ดามจะไปสำคัญมีอุปทานว่าเป็นดามถ้าไปดูเกียดตขนาดที่มันมีคลื่นมันก็มีหลายอย่างกลมไหลกลมดีฟูฟูแฟบแบเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องนี้การให้เห็น เห็นแช้งด้วยความหลงรู้แล้ว่านีีคือหลงความทุกข์รู้แล้วนี่คือทุกข์ความโกรธรู้แล้วนี่คือโกรธพะมันปรุงไปมันอารมณ์มันต่างๆกันไปหลายลสหลายชาติเราก็รับใช้บางทีรับใช้ความคิดมากเกินไปจะนอนไม่หลับ หมดพลังงานไปในกับความคิดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดทุกชาติไม่เป็นชิ้นเป็นอนเหมันก็«ไก่เคี่ยเลื อ, อกโอทช่าโกโกช่าโอทกจะกุกชจา ก, ก, กุ ก, กคือไก่ไก่มันเคียไม่เป็นตัวเป็นตนมันมีเหมือนกันอันนั้นเรียกว่าสังขาร สังขารอะไรที่เกิดจากสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต้องนั่นอย่าไปสำกัดบั้นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเราต้องมีสติรู้อย่าไปหลงตรงนั้นไปยึดมั่นเถือมั่นว่าสุขของเราทุกข์ของเราความสุขก็คือเราความทุกข์คือเราความโกรธคือเราความหลงคือเราควา ม, วามราัก ค, ความชังคือเราเสียเปียบบาน เีเปรียบความโกรธเสียผู้เสียคนตามตามความโกรธไม่ใช่จิตก็ถูกความโกรธหลอกเอาได้เราจะมีสติเรียนให้จบตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าจบในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยเรียกว่าปัญญาเพมรอบรู้ในกองสังขาร มันงมันแต่งที่เกิด ก, กิจนั่นเรียกว่าปัญญาตัญใหญ่อย่างนี้ดับทุกข์ได้แต่จะมาสร้างปัญญาอันนี้ก่อขึ้นมาเที่ยวไหลขึ้นมาเวลามันหลงรู้จักตัวถ้ามันไม่หลงก็รู้จักตัวไปให้อันนี้เป็นใหญ่จะติอินทรีย์เป็นใหญ่ ก็มีความเป็นใหญ่ในสติก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเราก็ได้จากกายไปเป็นต้นทุนไปในการมีใจเหมือนกันถ้าเราไม่รู้กายก็บีบเบียนใจใจก็เบีบเบียนกายถ้าเรารู้มันก็ไม่เบียดเบียนกันเฉพาะเรื่อง ถ้าความทุกข์ใจมันอาจจะกระทบกับกายได้ถ้าความทุกข์กายอาจจะกระทบกับใจได้ถ้ารู้จากแยกออกเวลามันเกิดมันแฉะมันเจ็บ ม, ม, ม, มันตายเกิดกับกายมันไม่ใช่จิตให้เห็นแจ้งความเจ็บเป็นอาการของกายความร้อนความหนาวความหิวเป็นอาการของกาย ขอบคุณที่มันรู้จักมีอาการเพื่อมันสัญญาณภัยของกายถ้ามันมีอาการมันก็ใช่ไม่ได้เหยื่อไปก็ไม่รู้จักร้อนอันตรายยุงกัดไม่รู้จักเจ็บอันตรายมีดบาดไม่รู้จักเจ็บเลือดไหลอยู่ก็ไม่รู้จักเจ็บอันตรายมีภัยแล้วก็มันเจ็บนั้นว่ามันดีแล้ว กินอาหารแพ้อาหารแค่โลกเกิดจากอาหารมันปวดท้องมันทายดีแล้วกินเะไรลงไปดั้งลำคอมันไม่ไมันไ ม, ไม่ถูกต้องมันก็ไอออกดีแล้วเท่ันไอออก ร้องกันเชื่อโลกบางอย่างมันก็ช่วยตัวมันบางอย่างเราต้องช่วยมันช่วยตัวมันไม่ไหวบางโอกาสาเล่นกินเหล้าไอ้กินทีแรกก็กินยากก็ยามให้ไม่รเไม่ชาติ คนจินเล่าไม่ค่อยดูหน้าตาก็ดูท่าทางจะไม่มีรถดับตาปีอุตสาเกินเอานี้นิดหน่อยตอนไทย ม, มันก็ไม่มีรถแต่ว่าก็ยังบังคับให้บันเกินลงไปเกินลงไปส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายอันนี้หมอรู้จา มาจะล่นทอ้องลนทอ้องเอานั่นเลย ว, ว่าตับมันทํำหน้าที่ไม่รล บ, ไ ม, าารมรบไม่ใช่อาหารแต่เป็นมันเป็นแค๊สเป็นคาร์บอนไม่ใช่อาหารมันปรุงคาร์บอนให้เป็นออกซิเจนเลยล่อนท้องตับมันทำหน้าที่เพื่อจะปล่อยอ่า ไปสู่ในกระเพาะมันก็สู้ไม่ไหวดังกินลงไปอีกมันก็ร้อนท้ององีกพสู้ไม่ไหวมังก็ตับมืนกับตารวจชายแดนในวหนะ้าต่อสู้กับภัยเที่มันจะเกิดไปสู่ร่างกายเมื่อมันกระทบกับภัยศัตรูไบบร์มันก็มันก็ มันก็ต้องช้ำเจ็บปวดหรือถูกพิษภัยต่างๆอาวุธต่างๆเข้าไปก็กลายเป็นตับด้านตับแข็งไปเหมือนกับฝ่าเท้าเราไม่ใส่รองเท้าเดินมันก็ด้านลงไปด้านลงไปถ้าตับมันด้านไม่เหมือนฝ่าเท้าบันด้านถ้าตับมันด้านมันกระทบเลือดไม่สะดวก เลือดเว่งไม่สะดวกเกิดว่าเ็งเลือดต้อตงไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนก็เกิดว่าเ็งด้านไปแล้วเลือดไม่มีแล้วตรงด้านนั่แล้วเกิดมาเลงได้ว่าโรคตับแข็งโรคตับใบสู่กระเพาะกระเพาะก็เห็นเท่ามาไหวก็เม า, าเมาเนี่ก็วันประการช่วยตัววัน เอาให้ไม่รู้เลยเอาเล่ายัดปากก็ไม่รู้จักคืนไม่ลงแล้วเม า, าวานน้องตาไปเพียงขออ้อไปอำเภอไอ้คนเมาเล่าถ้ามีกล้องี C D อยากจะถ่ายให้ดูสวยที่สุดเลยท้าทาง น่าดูมากถ้ามาเดินอยู่นี่เพราะเราต้องจ้องกันทุกคนล่ะโก้ดีกั <c ười> นชี้เล่าเอาม่รูจักอไอเทนไปเวลาผ่านไปตรงไหนคนบองมันแถวเลยเดินโอ้ยโก้ดีไอสุกเฉย <c ười> <c ười> <c ười> กินถนนถนนเป็นเลนอย่างกินหมดเลย สิ้นเปืองคนเดินต้องเีกอดใช้เรือขวารถเดินก็ต้องวิ่งมาก็ต้องระวังสนเป็นความสนใจของคนนั่นคือมันหมดสภาพบางทีโดนเกล็กในผ้าโน่งมีแต่ขี้โคนฝนตกก็ไม่อายเติร์นไป เอาขี้ยัดปากก็แม่ลูกเวลามันเมาเขาเอาเลายัดปากก็จิตมาได้มันเมาให้มันก็พยายามช่วยตัวมันอันนี้คือธรรมชาติจะบพอดีก็เหมือนกันเล่นแข็งเหงกแข็งกินข้าวไม่อร่อยอาการมีแต่โทษคนหมอบอกเรา อันนี้คนหมอร้อยฟังก็จำเอามาพูดต่อๆ อ, อันนี้มันก็ธรรมชาติของกายแต่ธรรมชาติของใจกบเกือนได้ดีกว่าธรรมชาติของกายถ้ามันโกรธจะเนี่ยกบเกอนจนหมดตัวคนโกรธพอใจในความโกรธมีใครไปห้ามให้โกรธมันก็ไม่ยอม บางทีความโกรธพาให้ทำชั่วกล่องเขาน้อยค่ายแม่มันโกรธค่ายแม่ได้ถ้าความโกรธมันหายไปแล้วเสียใจเอาม่ายขึ้นมาได้ตายไปแล้วความโกรธมันไม่เหมือนกายกายมีหมอรักษาให้นิยา เป็นโรคอะไรไม่ยามีหมอที่เรียนจบมาช่วยได้หลงตาเป็นโรคมะเร็งคนหมอช่วยยาช่วยหลายมาได้ <c oughs> <c oughs> แต่ใจนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเอง ไม่มีใครหลงให้เราเราหลงเองไม่มีใครโกรธแทนเราได้เราโกรธเองไม่มีใครทุกข์ใจแทนเราได้เราทุกข์เองเราต้องแออก้เองแล้วก็แจ้ ง, ง่ายๆไม่เหมือนกายมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ให้พร้อมมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้มันมีพร้อมอยู่ในตัว มันโกรธเปลี่ยนโกดธเป็นไม่โกรธได้มันมีอยู่ในที่เดียวกันได้เหมือนกับกายกายเมื่อมันเกิดโรคต้องไปลองโรงพยาบาลเสียเงินเสียทองเสือค่ารถค่าเรือมียามีหมอบางที่ต้องผ่าตัดช่วยแต่ใจนี้ไม่ไม่มีเลยไม่มีใครช่วยเรา แต่เราก็ช่วยได้เช่นหิวข้าวต้องมีข้าวกินจึงจะจึงจะอ่านเป็นทุกข์เพราะหิวได้ถ้าร้อนมีหน้าม้ามีปัจจัยภายนอกก็หนาวก็มีผ้าหม่มอนตกมีหลังคาแตดตกมีหลังคากลางัง ในพรานุงพ้าหมป้องกันเติบโตงรงแดดและสะเลื่อยคารจนนใจไม่มีอะไรเลยตัวเดียวล่อนจน้อนหลงเองก็ต้องรู้ออกเองจะใช่จะเรียกใครมาช่วยเวลามันหลงเป็นไปไมาได้เรามันทุกข์ขอช่วยตัวเองเปลี่ยนหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนหัดลู่หัดลู้ฝึกซ้อมความรู้เอาไว้ไว้ใช่ระทุกกรณี อันที่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี้ปัญญาอย่าจนยามสงบเราฝึกยํามศึกเราลบบัณฑิตผู้ฝึกผลตนดีแล้วไม่ทิ้งศีลทิ่งธรรมจะเป็นทุกข์ยนตายไม่ทิ้งธรรมอันที่มันเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนได้เนี่ยไม่ทิ้งธรรม มันทุกข์เปลี่ยนมาทุกข์เรียกว่าไม่ทิ้งธรรมบัณฑิตผู้ฝึกผลตนดีจะไม่ทิ้งอันนี้มันโกรธไม่ทิ้งธรรมไม่โกรธได้มันมีคู่ตรงงานข้ามยิ่งดีเวลามันทุกข์เนี่ยยิ่ง ด, งดีจะได้ตรงงานข้ามจะได้ส่ใจเช่นเวลามันปวดตับมันปวดอย่างหนัก มันตกเงันข้ามมันไม่หมดตัวไปกับความปวดมันมีชิงหนึ่งที่เราฝึกเอาไว้เห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดแล้วก็แข่งขันกันสองอย่างอันหนึ่งปวดเห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดมันแข่งขันกันอยู่อันไม่เป็นผู้ปวดเด่นมันใช่ได้แต่ไปอยู่กับความปวดมันใช่ไม่ได้เลยทรมาน อาจจะลองถาเห็นมาปวดมันอาจจะยิ้มยิมสงบที่สุดเงียบที่สุดเรามันปวดมันสงบเงียบมากมันก็ใช่ได้ไม่อาการที่มันเกิดขึ้นในอาการที่มันไม่ต้องค่อยตามมันมันใช่ได้นอนนิ่งนิ่งได้แม่หมอมาถามปวดมากไหมมันก็ปวดเหมือนกัน มันเป็นก็เนื้อ <c oughs> ก็เนื้อในตอบกี่เปอร์เซนต์เอาอะไรเป็นเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์มันเกินร้อยทำไมหลงตานอนเด้งๆอยู่อ้าวไปแสดงตามมันทำไม <c oughs> ไปแสดงตามอาการที่มันปวดได้ไงเราไม่ต้องแสดงตามมันจุดเด้ง มันก็สงบเฉยมอดูกกระเดกไม่ได้เวลามันปวดเข้ามากๆเกิน้อยกินยาสักหน่อย <c oughs> ยาอะไรยามันเท่าปวดว่าไม่ไม่กลัวขวงมปวดไม่เคยกินยาแช้ปวดเราก็แนะนำไม่กิน ถ้าไม่กินมันก็มีผลข้างเคียงต่อไปต้องกินยาแก้ปวดกต่หมอเอาวางไว้ก็ไม่กินหมอมาเยืนบอกต้องกินต่อกินยาแก้ปวดมันเม็ดใหญ่มันคื่นไม่ลงคอมันตันต้งก็ก็เนื่อยลาคอมันตันหลอดลอมเลืนเม็ดยาไม่ลง แล้วก็เพิ่มผมปวดก็เปิกหายใจไม่ได้มันจะตายหมอก็ะเว่งออกเป็นเข้าหมอก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเม็ดยามันติดคออุ้ยสนุกดีเวลานั่นเป็นเวลาที่สนุกที่สุดเลยจะทางไหนหมอวิ่งเข้าเป็นออกในห้องที่เราดอนอยู่เราก็ได้วิชาแม่ วิชายแม่คืออะไรฮะิชายแม่สอนมมไม่เห็นอะไรสอนออกแต่เห็นแม่ทาเวลาอะไรคาค้อโรกแม่จม ง, งยัดเข้าไปแลกเข้าไปเลยลองตาก็เอาวิชาแม่สอนมาเข้าไกเออยัดเข้าไปเลยแลกดกคือกล้องไป หอาใจไปเคลื่นมาโอ้เรามันหลอดลมไม่เมียมันก้อนเนื้อในลำคอติดที่สุดเลยตายเลยนะวิชาโบราณเอาในีล่ลงบออะไรลน่ะยอย่าลืมนะใครอะไรติดคออย่าลืมมือนะแตกลอก ไ, ไ, ไปเลยเสร็จเลย สนุกที่สุดเวลาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์โรยเป็นปัญญาเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอือนั่นนะมันไม่ทุกข์เก่งเก่งจ้ไม่ทุกข์เก่งเก่งไม่ทุกข์เก่งเก่งความปวดไม่ทุกข์เก่งเก่งความตายไม่ทุกข์เก่งเก่งหายใจไม่ได้ก็ไม่ทุกข์เก่งเก่งภาษาอะไรความโกรธเนาะหยับหยาความหลงความทุกข์หยาบหยา เปลี่ยนได้ง่ายๆเป็นเปลือกกล้วยกาบนอกที่สุดอาษาอะไรโบุรีจนเล่ามันกาบนอกกาบนอกกิเลสตันหามันกาบนอกกราบนอกอันที่มันจะแก่จะเจ็บ จ, จ, จ, จ, จะตายน่ะคนจะมีทุกตนนั่นที่สุดเลยเราต้องเก่งไปแต่เนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนหลงเป็นรู ป, ป น, นี่ไปอย่าปล่อยทิ้งหน่อยนะเหมือนนักกีฬา นักกีฬาเนี่ยถ้านั่งอยู่นี่ไม่รู้จะว่านักกีฬาเนาะแต่ถ้าเวใดเขาขึ้นเวทีลงเวทีลงเวทีนั่นเขาจะแดกกีฬาของเขาขึ้นนกงวยเขาขึ้นเวทีเราต้องก้อนหลอมสนุกสนานไปเลยเวลาต่อยกันก็สนุกวิ ช, ชามวยของเขา เราก็เป็นกีลานนะก่อนหนีฬาที่ชนะตัวเองทุกกระดีไม่มีแพ้อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีแพ้เลยไม่มีแพ้เติมทุกข์ก็ไม่แพ้ความโกรธความโลภความหลงไม่แพ้เลยเกิดเจ็เจ็ตายไม่แพ้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องในวัแล้วเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายแนละ้วมีอยู่ในความตายในมีตาย มีตายก็มีไม่ตายมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่มีทุกข์ต้องไม่ไม่ทุกข์แน่นอนที่สุดเห็นไหมเวลามันหลงมีไม่หลงจนหรือความหลงเฉยๆภาษาความคิดเสื่อคอยตามมันไปไปกับความคิดมันหอบพิ้วไปปฏิบัติไปปฏิบัติเกิดเบื่อนน่าย ความเครียดขึ้นมาความคิดน่ะนไม่มีอะไรเราต้องทําสบายๆ ย, ยิ้มๆเอาไว้เวลาสร้างจังหวะเวลาเดินยังก็อย่ารีดตัวเองทำเชื่อๆทาเชื่อๆรู้เล่นๆหยอกล้อมันไปเมื่อมันทุกข์ก็ดีแล้วยิ้มในเวลามันทุกข์เม่อมันหลงก็รู้แล้วดีแล้วมันของ ของจริงในความทุกข์เป็นจริงแบบทุกข์แต่ไม่จริงแบบไม่ทุกข์ความทุกข์ก็จริงแบบทุกข์ไม่จริงแบบไม่ทุกข์ควไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นจริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงความโกรธก็จริงแบบบางโกรธแต่มันไม่จริงแบบไม่โกรธมีไหมในตัวเรา จนเหลือเรื่องนี่แค่นี้จนเหลือปัญญาพุท ธ, ธะต้องมีปัญญาเรื่องนี้อย่าไปจนในความทุกข์อย่าไปจนในความหลงอย่าไปจนในความโกรธอย่าไปจนในความอิจฉาเบียดเบียนมันมีอยู่ทิศทางมีอยู่แน่นอนมีคนที่ทำได้แล้วมีผู้ทำาะแหละพระศาสด า, า, าพุทธเจ้าของเราประกาศมา ตัดไว้ดีแล้วถ้าจะบอกว่าถ้าใครยังโกรจังทุกข์ยังหลงอยู่ล่าชมัไไม่ทันสมัยกับเขาเกิดมานานมีวัดวารามิจาสนามาดานไปแค่ได้แค่นิดเดียว อันอื่นลู้หมดแต่เรื่องนี้ไปไม่ได้ยังมีโซกยังมีส่วนติดอยู่ไปทึงไหนก็ยังมีทุกข์มีหลงมีโกรธอยู่ ม, มันมันไม่คุ้มค่าเราจึงต้องฝึกวิชานี่ถ้าลู้วิชานี่จบทั้งหมดวิชาอื่นจบไปเลยสนุกอยู่ในโลกช่วยมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนมานุปมานุคนหนึ่งแต่เรียนวิชาเพื่อจะมาคลองบ้านคลองเรือนคนโบราณมานุปเหมือถึงลูกชายก <c oughs> ่อนที่จะคลองบ้านคลองมังต้องไปเรียนวิชาต่างๆมาให้ครบมานุปเนี้ก็ไปเรียนอาจารย์ก็สอนเรียนจบกลับบ้าน มาบอกแม่จบแล้วแม่แม่ถามขึ้นคําเดียวว่าอาสาตบนได้เรียนในอย่างอาสาตมนเรียนในอย่างลูกชายไม่ได้เรียนก็คืออะไรอาสาตมนถ้าลูกไม่จบอาสาตมนแสดงว่ายังไม่ใช่ใช่ไม่ได้ก็กลับไปเรียนต่ออีกให้เรียนอาสาตบนให้จบ อาจารย์เงเปียนก็เนี่ยมาฝึกสติเนี่ยอย่าเอาความรู้อย่างเดียวมีความรู้ที่พ้นทุกมีคนรู้ที่พ้นจากการบุกแต่งก็ไปหาอาจารย์บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับของเจ้เรียน อ, อ่ไม่ได้เรียนมนตดันหนึ่งคืออาสาสมน์อาจารย์ไมลสอนงลอย จึงมาเรียนอวาาสานวนต่อวิชาอื่นจบปดมาเรียนปฏิบัติธรรมนะ่ะจนชนะตัวเองได้ในความโรคของโกรธความหลงจะเรียนจบวิชาใดใดมาจังมีความโรภความโกรธความหลงอยู่มันก็ไม่จบเรเอามันเทียงไปเลยนะ่ะ <c oughs> มันจบอาจารย์ก็สอนมาใช่อาจารย์สอนเรามาสอนตัวเอง เรามาลู่ตัวเองไม่มีใครเอาให้เราได้เอาหลงเองเราก็ลู่เองลู่จากช่วยตัวเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้อปทาให้เป็นอาสาสมนมาใช่เรียนมาใช่สอนให้เลื่อยความรู้ไปแสดงลู่จักภายนอกลูกไปข้างโงกอาสาสมนมาลู่ภายในมันหลง แม้จะมีความรู้มันก็ยังหลงยังทุกอยู่ยังโกรธอยู่รเรามาเรียนเนี่ยมันหมดไปเลยนก็จะเป็นประโยชน์คุ้มค่าไม่เสียชาติถ้ามาจบวิชานี่ก็เสียชาตินะถ้ายังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกอยู่ล่าสมัยแล้ว เขาไม่ทุกกันแล้วเขาไม่โกรธกันแล้วเขาไม่หลงกันแล้วความหลงกลายเป็นบัญญาปัญหากลายเป็นบัญญากันหมดแล้วยิ่งพวกเราไม่ความรู้ยิ่งประเสริฐเลิศที่สุดเลยไปช่วยมนุษย์เป็นงานบุญเป็นงานบุญมันขาดแขนชีวิตของมนุษย์ ที่มาทํางานอันนี้นะอาสางเนี่ยมันอยู่ในตัวเราไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ของเราธรรมชาติมันสนให้เยี่นหูฟังฟังให้ดีดูให้เห็นเห็นความหลงเห็นความคิดที่มันเป็นจรรมชาตยเป็นตัวสังขารเกิดขึ้นนั่งอยู่นี่คือกายคิดเป็นนั่งคิดใจ ว่าจะให้มันลูกความหลงมาแย่งไปบางทีอไม่หลับผู้ความเครียดเฉยๆก็ไม่เป็นทุบความคิดเป็นสู่ผู้ความคิดความคิดเป็นใหญ่เลยเกินไม่มีสติไม่มีอินทรีย์คือสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่มีความเป็นธรรมอ่านี่ต้อง ประกอบเอาต้องสร้างตัวใครตัวมั น, เ ด, น, ม เ, นเดินตามรอยพระทุกคนบาทเตือนตามรอยพระศารามีกายมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมีกายทุกคนเวทนามันจุกมันทุกมีทุกคนมีจิตที่มันคิดไปมีทุกคนมีธรรมที่เป็นเกิดขึ้นระหว่างกายระหว่างใจมีกันทุกคน เป็นกุศลเป็นอกุศลมีเหมือนกันเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นธรรมไม่เห็นแก้ดา่านให้มันกักเราคือกายเวทนาจิตธรรมสอนเป็นวิชามันก็สอนจบเดี๋ยวนี้แต่ถ้าปแต่าคปฏิบัติต้องทำไม่เป็นไม่ใช่เอาความรู้เอาไม่มันเป็นน่ย ก็พูดให้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบเวลามันหลงบอกว่าไม่หลงก็ได้เอาคามลูกมีอยู่กับตัวเราใช่หลงปลายอ่นหลงเตะลูกทีนด้านเปลี่ยนไลยเป็นนี้เรียกว่าปฏิบัติขยันลูกเรียกว่าภาวนารูกมากพอดีพอดีอดอดกับรูปแบบของสติปัฏฐาน การสร้างจังหวะการเดินจังของพอดีกับความรู้ข้างหนึง่งข้างหนึง่งไม่ช้าไม่นานไม่ไวเกินไปพอดีพอดีกับทุกคนตากลุ่นที่อายุก็เดินช้าช้าตากลุ่มคนจมก็ตามเหตุปจัจจัยตากลุ่มง่วงก็เดินวอยยยกมือวอยยตาก่มนอายุก็อาจจะแก่ก้าบ้าง พอวัลวันนอนถ้าเป็นคนโดบก็กำลังกำลังนอนกันเยอะคนแก่ก็ไม่ค่อยนอ น, น อ, อาหารก็กินได้น้อยก็ดมก็ต้องการคนแก่กินน้ำวันละสี่กิโลแมนบาใช่ไหม คนแก่ดื่มน้ำวันละไม่เกินสี่กิโลคนหนุ่มดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าแปดกิโลเด็กตื่มน้ำไม่ต่ำกว่าสิบกิโลทารกกินน้ำไม่ต่ำกว่าสิบห้ากิโลต้องการน้ำมากเด็กในครรภ์ต้องการน้ำไม่ต่ำต่อ ว, วันละสิบห้ากิโลสิบห้าอะไรก็ไม่รตามตามตัวของเขา ถ้าคนแจงมันเราเนี่ยกินน้ำเวละสี่กิโลนอน ก, อน 3, อกอนน็นอนละสามสี่ชั่วโมงก็พอคนหนมนอนมันละแปดชั่วโมงหลับก่อนเที่ยงคืนดีที่สุดสามทุ่มหลับแล้วล้วไปนอนดึกเกินไปคนหนมมักจะนอนดึกตื่นชา้ชาๆม่ค่อยดีถ้าหลับหลังสามหกทุ่มไปแล้วไม่ค่อยจะมีประโยชน์ ถามหมอดใช่มไหมใช่ดัง <laughs> น, นั้นก็แล้วแต่ให้รู้จักความบอดีของตัวเองเอาคนหนุ่มมาเปรียบคนแก่ไม่ได้คนแก่ไปเปรียบคนหนุ่มไม่ได้เราตาเวลานี้ยก็ไม่หยอมแก่เดินไวๆแกงแขนด้วยวันหนึ่งไม่ใถ่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าทําวบัเจิตเนี่ยก็จะหมดเวลาจะไปเดินเดี๋ยวมันจะถึงเวลาฉันก่อนขอจบตรนนี้ก่อน